ปภาวณาด้วยคิดว่าพวกเราควรปภราวณาแท้ไม่ใช่ไม่ควรเมื่อภิกษุเหล่านั้นกําลังภารณาขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงปภาวณาใหม่พวกภิกษุที่ปภาวณาแล้วต้องอบัตรทุกกวงเล็บหนึ่งภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาดแห่งหนึ่งในวันภารณานั้น มีภิกษุที่อยู่ในอาวัตหลายรูปเมื่อภิกษุเหล่านั้นกําลังปวรณาขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวัตผู้อื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันพวกภิกษุที่ปวรณาแล้วเป็นอันปวรณาดีแล้วภิกษุที่เหลือพึงปวรณาพวกภิกษุที่ปวรณาแล้วต้องอบัติทุกกดวงเล็บสองภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาตแห่งหนึ่งในวันปวรณานั้น มีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสผู้อื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าพวกภิกษุที่ปรารณาแล้วเป็นอันปรารณาดีแล้วภิกษุที่เหลือพึงปรารณาพวกภิกษุที่ปรารณาแล้วต้องอบัตทุกกดวงเล็บสภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปรารณานั้น มีภิกษุที่อยู่ในอาวาัตหลายรูปแต่ประชุมกัน5้ารูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในอาวัตผู้อื่นที่ไม่ได้มาอยู่แต่กังวลใจปวารณาด้วยคิดว่าพวกเราควรปวารณาแท้ไม่ใช่ไม่ควรพอภิกษุเหล่านั้นปวารณาเสร็จขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวัตผู้อื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงปวารณาใหม่ พวกภิกษุที่ปวารณาแล้วต้องอบัตทุกฎวงเล็บ4พอภิกษุเหล่านั้นปวรนาเสร็จขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสผู้อื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันพวกภิกษุที่ปวรณาแล้วเป็นอันปวรณาดีแล้วที่มาทีหลังพึงปวรณาในสํานักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุที่ปวรณาแล้วต้องอบัตทุกกฎวงเล็บ5ขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสผู้อื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าวงเล็บ6 ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปแต่ประชุมกันห้ารูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่แต่กังวลใจปวารณาด้วยคิดว่าพวกเราควรปรวารณาแท้ไม่ใช่ไม่ควรพอภิกษุเหล่านั้นปวารณาเสร็จบริษัทยังไม่ทันลุกขึ้น ขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงปรบารณาใหม่พวกภิกษุที่ปรบารณาแล้วต้องอบัตทุกกดวงเล็บ7พอภิกษุเหล่านั้นปรบารณาเสร็จบริษัทยังไม่ทันลุกขึ้นขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเทกันพวกภิกษุที่ปรารณาแล้วเป็นอันปรารณาดีแล้วที่มาถีหลังพึงปวารณาในสํานักของภิกษุเหล่านั้น พวกภิกษุที่ปรนน่าแล้วต้องอบัตบทุกกฎวงเล็บ8ขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าวงเล็บ9พอภิกษุเหล่านั้นปรนรณาเสร็จบริษัทลุกขึ้นบางส่วนขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าวงเล็บ10ขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันวงเล็บ11 ขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดผู้อื่นมาถึงมีจำนวนน้อยกว่าวงเลบอพอภิกษุเหล่านั้นปราณาเ็จบริษัทลุกขึ้นทั้งหมดขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในาวาัดผู้อื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่าวงเล็บาขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดผู้อื่นมาถึงมีจำนวนเท่ากันวงเล็บขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดผู้อื่นมาถึงมีจำนวนน้อยกว่าวงเล็บา กุศะประกาศปนรศก็จบ